คิดในสิ่งที่มันไม่เคยคิดนี่เออระเหยลอยลมคิดถึงโลกคึงจงซานคิดถึงบ้านคิดถึงเรือนคิดถึงใครต่อใครเออเพ้อเพอจังคิดเอากรรมกิเลสเข้ามาอีกต่างหากสิ่งเหล่านี้มันถูกไหมนี่แหละสิ่งเหล่านี้อยากอยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายที่เป็นพระอยู่ในพระพุทธศาสนาให้รู้จักหน้าทีา่ฉันจังหารเสร็จแล้วนัะนะเดินยังกลมนั่งภาวนา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 ขายซีดีจะว่าอย่างนั้นอีกเนะลหลวงพ่อไม่ได้ขายในซีดีนหลวงพ่อแจกให้เลยอแจกธรรมะเอ่เอาไปฟังแล้วไปเพื่อการศึกษาหลวงพ่อไม่เคยคิดเออซีดีม้วนเท่านั้นตัวนี้หลวงพ่อไม่เคยมีแจกให้เออบางทีเอาแจกไปมากมายผลทั้งหลายแหลมากที่ไหนบ้างขายบ้างได้ยินว่าหลวงพ่ออินแจกขายซีดีบอกมานะ หลวงพ่อเป็นขายใครเป็นคนขายวะแต่เหรียญหลวงพ่อก็เหมือนกันนะอใครทําแล้วมีต้นทุนแล้วขายเหรียญหลวงพ่อนะี่ยบอกมานะอหลวงพ่อมันเริ่มได้ยินได้ยินแต่หลวงพ่อจะพูดปรามไว้ก่อนนะเอไม่ควรจะมีนะแต่ถ้าว่าเป็นรูปกก็ไม่ว่ากันเพราะลูปมันก็ต้องมีแห ล, ละหลวงพ่อเองก็ให้ยศ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 ของพ่อแม่ครูบาะนะอาจารย์หล่อลูปใหญ่เป็นที่กราบไหว้เคารพสักการะบูชาอันนั้นก็อีกส่วนหนึ่ ง, งที่เราเป็นหล่อลูปหลวงตามหาบัวที่สวนแสงธรรมคลาวกรวันที่ยี่สิันกยี่สิบเจ็ดธันวาหลวงพ่อเป็นประธานในการหล่อลูปเหมือนองค์หลวงตาที่สวนแสงธรรมหลวงพ่อเออเอาสัตยาญาติโยมมารวมกันนะวันนี้เราจะได้หล่อลูป โผงหลวงตาของพวกเราที่เป็นที่รักเคารพนับถือเลื่อมใสเมื่อหลอเรสร็จแล้วเราจะเอาขึ้นไปไว้บนข้างบนศาลาวัดสวนแสงธรรมของเราเนี่ยแหละชั้นบนที่ห้องธรรมะของหลวงตาให้พวกเราท่านทั้งหลายมารวมกันไหวพระสมาทานศีลก่อนนะเมื่อทมาเมื่อสมาทานศีลเรียบร้อยแล้วคือให้พวกเรามีศีลซะก่อน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 อออันนั้นก็ควรจะทําเพื่อเป็นปูชเนยะบุคคลดิ้ให้ความเคารพนะเออแต่เจ้ปัญมาทําเป็นเหรียญขายเนะี่ยอันนี้ลุงพ่อมาเห็นด้วยนะเอ่อเพอเพอพระน้อยพระหนุ่มทั้งหลายเห่กันอีกท่านไหนเอ่อคนนั้นกลุ่มนั้นขายนะพอขายเสร็จแล้วก็นู้นอ่ะเอ่อออกมาอวดกันอีกคนนั้นซื้อรถเบนซ์คนนี้ซื้อรถเก๋งคนนี้ซื้อรถปิกอัพเอ่อ